หนึพระพุทธเนรมิธูลถามว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุแจมแจ้ ง, จงได้ทรงแสดงธรรมที่เป็นพยานอันเป็นเครื่องกําจัดอันตรายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์โปรดตรัส บ, บอกปฏิปทาคือปาติโมหรือแม้สมาธิคําว่าได้ทรงแสดงในคําว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุแจมแจ้ ง, จงได้ทรงแสดง ได้แก่ได้ทรงแสดงคือได้ทรงชี้แจงตรัสบอกแสดงบัญญัติกาหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศรวมความว่าได้ทรงแสดงว่าด้วยพระจักสุห้าชนิดคาว่าผู้มีพระจักสุแจ่มแจ้งอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคมีพระจักสุแจ่มแจ้งด้วยพระจักสุห้าชนิดคือหนึ่ง มีพระจักสุแจ่มแจ้งด้วยมังสะจักขู่บ้างสองมีพระจักสุแจ่มแจ้งด้วยทิพจักขูบ้างสมีพระจักสุแจ่มแจ้งด้วยปัญญาจักขู่บ้างสมีพระจักสุแจ่มแจ้งด้วยพุทธจักขูบ้างหมีพระจักสุแจ่มแจ้งด้วยสมันตะจักขูบ้างพระผู้มีพระภาคมีพระจักสุแจ่มแจ้งด้วยมังสะจักขูเป็นอย่างไร คือในพระมังสะจักรขุของพระผู้มีพระภาคมีสีอยู่ห้าสีคือหนึ่งสีเขียวสองสีเหลืองสามสีแดงสี่สีดำห้าสีขาวณที่ที่มีขนพระเนตรึ่นมีสีเขียวเขียวสนิทน่าชมน่าดูดุดดอกผักตบต่อจากนั้นก็เป็นสีเหลืองเหลืองสนิทสีเหมือนทองคำน่าชมน่าดูดุดดอกกัิกา เบ้าพระเนธทั้งสองข้างของพระผู้มีพระภาคมีสีแดงแดงสนิทน่าชมน่าดูดุดสีปีกแมลงทับกลางดวงพระเนรมีสีดำดำเข้มไม่เศร้ามองสนิทน่าชมน่าดูดุดสีสมอดำต่อจากนั้นเป็นสีขาวขาวสนิทเปล่งปลัง่งขาวนวล น, น่าชมน่าดูดุดสีดาวประกายพรึก พระผู้มีพระภาคมีพระมังสะจักขุนั้นอยู่โดยปกติเนื่งในพระอัตภาพเกิดด้วยสุจิริกกรรมที่ทรงสั่งสมมานิภพก่อนทรงมองเห็นตลอดหนึ่งโยธโดยรอบทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ในเวลาที่มีความมืดประกอบด้วยองคสีคือหนึ่งดวงอาทิตย์ตกไปแล้วสองเป็นวันอุโบสถข้างแรมสป่าชัดรกทึบ มีก้อนเมฆใหญ่ผุดขึ้นมาในความมืดที่ประกอบด้วยองค์สีอย่างนี้พระองค์ก็ทรงมองเห็นได้ตลอดหนึ่งโยธโดยรอบไม่มีหลุมบานประตูกำแพงภูเขากอไม้หรือเถาวันมาปิดกัน้นการเห็นรูปทั้งหลายได้หากบุคคลเอางาเมล็ดเดียวทำเครื่องหมายแล้วใส่ลงในเกวียนบรรทุกงา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 ผิวพันณ์ดีผิวพันธ์ซามไปดีตกยากด้วยที่ปจับขู่อันหมดจดล่วงจากสุมนุษย์ทรงทราบหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามก ร, รมว่าสัตว์เหล่านี้แหละหนอประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียมพระอริยะเป็นมิจฉาทิฐิยึดถือการประทมด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิหลังจากตายแล้วสัตว์เหล่านั้นก็เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรก แต่สัตว์เหล่านี้ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติดเตียมพระอริยะเป็นสัมมาทิฐิยึดเถระการกระทําด้วยอํานาจสัมมาทิฐิหลังจากตายแล้วสัตว์เหล่านั้นก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์พระผู้มีพระภาคทรงเห็นหมู่สัตว์ซึ่งกําลังจุติกําลังอุบัติเลวประหนี่ผิวพันธ์ดีผิวพันธ์ซามไปดีตกยาก ด้วยทิพยจักขุอันหมดจดล่วงจักสุมนุษย์ทรงทราบหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมและพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงประสงค์พึงทรงเห็นได้แม้หนึ่งโลกธาตุแม้สองโลกธาตุแม้สามโลกธาตุแม้สี่โลกธาตุแม่ห้าโลกธาตุแม้สิบโลกธาตุแม้ยี่สิบโลกธาตุแม้สามสิบโลกธาตุแม้สี่สิบโลกธาตุแม่ห้าสิบโลกธาตุ แม้หนึ่งร้อยโลกธาตุโลกธาตุขนาดเล็กประกอบด้วยหนึ่งพันจักรวาลโลกธาตุขนาดกลางประกอบด้วยสองพันจักรวาลโลกธาตุขนาดใหญ่ประกอบด้วยสามพันจักรวาลแม้โลกธาตุที่ประกอบด้วยหลายพันจักรวาลพระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เพียงใดก็พึงทรงเห็นได้เพียงนั้นทิพจักรภูของพระผู้มีพระภาคบริสุทธิ์อย่างนี้พระผู้มีพระภาคชื่อว่า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 ไม่มีสิ่งที่พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นยังไม่ทรงทราบไม่ทรงเห็นไม่ทรงรู้แจ้งไม่ทรงทาให้แจ้งมิได้ทรงถูกต้องด้วยปัญญาทมทั้งปวงรวมทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันย่อมมาสู่คลองเฉพาะพระยานของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าโดยอาการทั้งปวงธรรมดาประโยชน์ที่ควรแนะนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นธรรมที่ควรรู้มีอยู่คือประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่น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 พระยานของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าไม่ติดขัดในอดีตอนาคตปัจจุบันกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมทุกอย่างย่อมเป็นไปตามพระยานของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าบทธรรมที่ควรแนะนํามีอยู่เพียงใดพระยานก็มีเพียงนั้นพระยานมีอยู่เพียงใดบทธรรมที่ควรแนะนําก็มีเพียงนั้นพระยานย่อมมีบทธรรมที่ควรแนะนําเป็นส่วนสุดครอบ บทธรรมที่ควรแนะนำก็ย่อมมีพระญาณเป็นส่วนสุดรอบพระญาณย่อมไม่เป็นไปเกินบทธรรมที่ควรแนะนำทางแห่งบทธรรมที่ควรแนะนำก็มีอยู่ไม่เกินกว่าพระญาณธรรมเหล่านั้นตั้งอยู่ในส่วนสุดรอบของกันและกันเหมือนชั้นแห่งพระอบสองชัน้นทับกันสนิทพอดีชั้นพระอบชั้นล่างก็ไม่เกินด้านบนชั้นพระอบด้านบนก็ไม่เกินด้านล่าง ชั้นพระอบทั้งสองชั้นย่อมวางประกบกันที่ส่วนสุดโดยรอบของกันและกันชันใดบทธรรมที่ควรแนะนำและพระยานของพระผู้มีพระภาคพทเจ้าก็ตั้งอยู่ในส่วนสุดรอบของกันและกันชันนั้นเหมือนกันบทธรรมที่ควรแนะนำมีอยู่เพียงใดพระยานก็มีเพียงนั้นพระยานมีอ ย, ยูเยททย่เพียงใดบทธรรมที่ควรแนะนำก็มีเพียงนั้นพระยานย่อมมีบทธรรมที่ควรแนะนาเป็นส่วนสุดรอบ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 นับเนื่องด้วยมณัิการนับเนื่องด้วยจิตตุบาของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าพระยานของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าย่อมเป็นไปในสัตว์ทั้งปวงพระผู้มีพระภาคทรงทราบอัธยายศัยอนุสัยจริตอธิมุติของเหล่าสัตว์ทุกชจำพวกทรงรู้จักเหล่าสัตว์ผู้มีกิเลส ด, ดุจทุลีน้อยในปัญญาจักขุมีกิเลส ด, ดุจทุลีมากในปัญญาจักขุ มีอินทรีย์แข็กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการซามผู้ที่แนะนำให้รู้ได้ง่ายผู้ที่แนะนำให้รู้ได้ยากเป็นพระั萨ผู้สมควรบรรลุธรรมเป็นอภสั萨ผู้มีสมควรบรรลุธรรมโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกมูสัตรพร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ย่อมเป็นไปภายในพระพุทธญาณ ปลาและเต่าชนิดใดชนิดหนึ่งรวมทั้งปลาติมิปลาติมิงคละและปลาติมิติมิงคละย่อมเป็นไปอยู่ภายในมหาสมุทชั้นใดโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามเทวดาและมนุษย์ย่อมเป็นไปภายในพระยานของพระพุทธเจ้าชั้นนั้นเหมือนกันนกชนิดใดชนิดหนึ่งรวมทั้งครุดนามว่าเวนไต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 ดจะเที่ยวทาลายทิฐิของผู้อื่นด้วยปัญญาตนบัณฑิตเหล่านั้นพากันปรุงแต่งปัญหาเย่ยมเข้าไปเฝ้าพระตถาคตทูลถามปัญหาที่ลี้ลับและปิดบังปัญหาเหล่านั้นที่พระผู้มีพระภาคทรงซักไซและตรัสแย่แล้วเป็นปัญหามีเหตุให้ทรงแสดงบัณฑิตเหล่านั้นถูกตึงดูดด้วยการวิจัชนาปัญหาจึงเลื่อมใสพระผู้มีพระภาคโดยที่แท้พระผู้มีพระภาค ย่อมทรงรุ่งเรืองยิ่งด้วยพระปัญญาในหมู่คนเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคชื่อว่ามีพระจักสุแจ่มแจ้งด้วยปัญญาจากขุเป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคมีพระจักสุแจ่มแจ้งด้วยพุทธจักขุเป็นอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงตรวจ ด, ดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักรขุได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสดูทุลีน้อยในปัญญาจากขุ ผู้มีกิเลสดุทุลีมากในปัญญาจักผุมีอินทรีย์แข่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการซามผู้ที่แนะนำให้รู้ได้ง่ายผู้ที่แนะนำให้รู้ได้ยากบางผู้เป็นผู้เห็นโทษและภัยในปรโลกอยู่ก็มีบางพวกเป็นผู้มีเห็นโทษและภัยในปรโลกอยู่ก็มีเหมือนเนก้อบวโเขียวเนอวือกอวบแดงหรือเนอือกอโบขาว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 โผล่ขึ้นพ้นระดับน้ําน้ําไม่ติดเปื้อนอยู่เลยฉันใดพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักขุได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสดุทุลีน้อยในปัญญาจักขุผู้มีกิเลสดุทุลีมากในปัญญาจักขุมีอินทรีย์แข็กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการจามผู้ที่แนะนําให้รู้ได้ง่ายผู้ที่แนะนําให้รู้ได้ยาก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 พระผู้มีพระภาคย่อมตรัสอสุภะกถ า, าแก่บุคคลราคะจริตตรัสการเจริญเมตาตาแก่บุคคลโทสะจริตย่อมสรงแนะนําบุคคลโมหะจริตให้ดํารงอยู่ในการเล่าเรียนการไต่ถามการฟังทำตามการการสนทนาธทำตามการการอยู่ร่วมกับครูย่อมตรัสอาณาปานาสติแก่บุคคลวิตกจริตตรัสบอกนิมิต ท, ที่น่าเลื่อมใส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 บุรุษผู้ยืนอยู่บนยอดภูเขาสิลาล้วนพึงเห็นหมู่ชนได้เดยรอบแม้ฉันใดพระองค์ผู้หมดความโศกแล้วโปรดเสด็จขึ้นสู่ประสาทเคทือธรรมจักได้เห็นหมู่ชนผู้ตกอยู่ในความเศร้าโศกและถูกชาติชราครอบงำได้ชัดเจนฉันนั้นพระผู้มีพระภาคชื่อว่ามีพระจักสุแจมแจ้งด้วยพุทธจักขุเป็นอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคมีพระจักสุแจมแจ้งด้วยสมันตะจักขุเป็นอย่างไรคือพระสัพพัญญุตยานตรัสเรียกว่าสมันตะจักขุพระผู้มีพระภาคทรงประกอบประกอบพร้อมดำเนินไปดำเนินไปพร้อมเป็นไปเป็นไปพร้อมเพีย่พร้อมแล้วด้วยพระสัพพัญญุตยานสมจริงดังคาถาประพันธ์ว่าสิ่งไรๆในไตรโลกธาตุนี้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 ชื่อว่ามีพระจักสุแจมแจ้งด้วยสมันตะจักขุเป็นอย่างนี้รวมความว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุแจมแจ้งได้ทรงแสดงคำว่าธรรมที่เป็นพยานในคำว่าธรรมที่เป็นพยานอันเป็นเครื่องกาจัดอันตรายอธิบายว่าธรรมที่พระองค์ทรงทราบเองธรรมที่ประจักษ์แก่พระองค์เองมิใช่โดยการเชื่อผู้อื่นว่า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 คำว่าอันตรายในยคำว่าอันเป็นเครื่องกําจัดอันตรายได้แก่อันตรายสองอย่างคือหนึ่งอันตรายที่ปรากฏสองอันตรายที่ไม่ปรากฏอันตรายที่ปรากฏคืออะไรคือราช ส, สีเสือโคร่งเสือเหลืองหมีเสือดาวสุนัขป่าโคกระบือช้างงูแมงป่องตะขาบโจรคนที่ได้ก่อกรรมไว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 ลมบ้าหมูหิดเปื่อยหิดด้านหิดผูดโรคละลอกโรคดีด้านโรคเบาหวานโรคเรื้มโรคผุพองโรคฤสีดวงทวารความเจ็บปวยที่เกิดจากดีความเจ็บป่วยที่เกิดจากเสมหะความเจ็บปวยทีเ่เกิดจากลมไข้สันนิบาตความเจ็บปวยที่เกิดจากการเปลี่ยนฤดูกาลความเจ็บป่วยที่เกิดจากการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถไม่ได้ส่วนกัน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 การมฉันทานิวร์พยาบาทนิวร์ถีนมิธะนิวร์อุท จ, จจะปุปจจะนิวร์วิจิกิจฉานิวร์ราคะโทสะโมหะโกธะอุปนณาหะมัคขะวลาสะอิสามัชริยะมายาสาเทยะธัมพะสารมภะมานะอติมานะมะทะปะมาทะกิเลทุกชนิด วิจิทุกทางความกรนกระวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการอากุชลาพิสังขารทุกประเภทเหล่านี้เรียกว่าอันตรายที่ไม่ปรากฏคาว่าอันตรายทั้งหลายอธิบายว่าชื่อว่าอันตรายเพราะมีความหมายอย่างไรชื่อว่าอันตรายเพราะครอบงำชื่อว่าอันตรายเพราะเป็นไปเพื่อความเสื่อม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 คือความสูญไปแห่งกุศลธรรมทั้งหลายกุศลธรรมอะไรบ้างอันตรายเหล่านั้นย่อมเป็นเพื่อเพื่อความเสื่อมคือเพื่อความสูญไปแห่งกุศลธรรมเหล่านี้คือการปฏิบัติชอบการปฏิบัติเหมาะสมการปฏิบัติที่ไม่เป็นฆ่าศึกการปฏิบัติไม่คลาดเคลื่อนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์การปฏิบัติรมถูกต้องตามหลักธรรมการรักษาศีลให้บริบูรณ์ ความเป็นผู้สำรวมอินทรีย์ทั้งหตาหูจมูกลิ้งกายใจความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารความเป็นผู้มีความเพียรเครื่องเตือนอยู่เสมอสติสัมปชัญญะความหมันเจริญสติปทานสความหมันเจริญสัมมาปทานสความหมันเจริญอิทิบาทสความหมันเจริญอินทรีย์หความหมันเจริญพละหความหมันเจริญโพชฌงเจ็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 ย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุในธรรมวิในนี้เพราะตาเห็นรูปบาปอคุโสณธรรมทั้งหลายย่อมอยู่ย่อมสร้างไปภายในของภิกษุนั้นเพราะฉะนั้นจึงตรัสเรียกภิกษุนั้นว่าผู้อยู่กับกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ภายในบาปอคุโสณธรรมเหล่านั้นย่อมฟุ้งขึ้นท่วมภิกษุนั้นเพราะฉะนั้นจึงตรัสเรียกภิกษุนั้นว่าผู้อยู่กับกิเลสที่ฟุ้งขึ้นภิกษุทั้งหลายอีกในหนึ่ง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 เป็นพชชาธาตภายในเป็นข mm ้าศึกภายในสองโทสะเป็นมนทินภายในเป็นอมิตรภายในเป็นศัตรูภายในเป็นพชชาาตภายในเป็นข้าศึกภายในสโมหะเป็นมนทินภายในเป็นอมิตรภายในเป็นศัตรูภายในเป็นพชชาาตภายในเป็นข้าศึกภายในพิษุทั้งหลาย ทำสามประการเหล่านี้แลชื่อว่าเป็นมนทินภายในเป็นอมิตรภายในเป็นศัตรูภายในเป็นเพ ช, ช่อาตภายในเป็นข้าศึกภายในพระผู้มีพระภาคผู้สุคตสาสดาครั้นตรัสวยากรณ์ภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าโลภะก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์โลภะทําให้จิตกาเริบโลภะเป็นภัยที่เกิดภายใน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 ทาสามประการเหล่านี้แลเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตของบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่พาสุกพระผู้มีพระภาคผู้สุขศาสดาครันตัดวิยกรภาศิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าโลภะโทสะและโมหะเกิดขึ้นในตนย่อมทําร้ายบุรุษผู้มีจิตเลวทรามเหมือนขุยไผ่กาจัดต้นไผ่เชนั้น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 ผูกติงกลาไว้ฉะนั้นที่ชื่อว่าอันตรายเพราะเป็นอกุศลธรรมที่นอนเนื่องอยู่ในอัตภาพเป็นอย่างนี้บ้างคำว่าอันเป็นเครื่องกำจัดอันตรายได้แก่เป็นเครื่องกำจัดอันตรายเพื่อเป็นเครื่องละอันตรายสงบอันตรายสลัดทิ้งอันตรายระงับอันตรายเป็นอมตะนิพพานรวมความว่าธรรมที่เป็นพยานอันเป็นเครื่องกาจัดอันตราย คำว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์โปรดตรัสบอกปฏิปทาอธิบายว่าขอพระองค์โปรดตรัสคือโปรดบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศปฏิปทาได้แก่การปฏิบัติชอบการปฏิบัติเหมาะสมการปฏิบัติที่ไม่เป็นข่าศึกการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์การปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักธรรม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 รวมความว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์โปรดตรัส บ, บอกปฏิปทาคําว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นคําที่พระพุทธเนรมิตรตรัสเรียกพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าอีกในหนึ่งพระองค์ตรัส บ, บอกแสดงบัญญัติกําหนดเปิดเผยจำแนกทําให้ง่ายประกาศทำใดทำนั้นทั้งหมดเป็นธรรมดีเจริญงามไม่มีโทษ ควรสเสาะเซบรวมความว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์โปรดตรัสบอกปฏิปทาคําว่าปฏิโมกในคําว่าคือปฏิโมกหรือแม้สมาธิได้แก่ศีลอันเป็นที่พึ่งเป็นเบื้องต้นเป็นความประพฤติเป็นความสํารวมเป็นความระวังเป็นหัวหน้าเป็นประธานเพื่อความถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นกุศลคําว่า หรือแม้สมาธิได้แก่ความตั้งมั่นความดำรงมั่นความไม่คลอนแคลนความไม่ขวักแวงความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตความที่จิตไม่ชัดสายสมาทะสมาธินีสมาธิภละสมาสมาธิรวมความว่าคือปติโมกหรือแม้สมาธิด้วยเหตุนั้นพระพุทธเนรมิจึงทูลถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักษุแจ่มแจ้งได้ทรงสแสดงธรรมที่เป็นพยานอันเป็นเครื่องกาจัดอันตรายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์โปรดตรัสบอกปฏิปทาคือปฏิโมกหรือแม้สมาธิ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุไม่พึงเป็นผู้มีตาลอกแรกพึงป้องกันหูมิให้ได้ยินคามกถาไม่พึงติดใจในรถและไม่พึงยึดถืออะไรอะไรในโลกว่าเป็นของเราว่าด้วยเรื่องผู้มีตาลอกแรกคำว่าภิกษุไม่พึงเป็นผู้มีตาลอกแรกอธิบายว่า ภิกษุเป็นผู้มีตาลอกแลกเป็นอย่างไรภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีตาลอกแลกเพรเป็นผู้ประกอบด้วยความเป็นคนมีตาลอกแลกเลือคิดว่ารูปที่ยังไม่เคยดูเราควรดูรูปที่เราเคยดูแล้วควรผ่านไปเลยจึงเป็นผู้ขวนขวายการเที่ยวนานและการเที่ยวไปไม่แน่นอนจากอารามหนึ่งไปสู่อีกอารามหนึ่ง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 เป็นผู้แยกถืออวิวะส่วนต่างๆย่อมไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมจากขุนศีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชาและโทมนนะครอบงำได้ย่อมไม่รักษาจากขุนศีย่อมไม่ถึงความสำรวมในจากขุนศีพิสุชื่อว่าเป็นผู้มีตาลอกแลกเป็นอย่างนี้บ้างอีกนายหนึ่งพิสุเป็นผู้ขวนขวายดูการละเล่น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 ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีตาลลกแรกเป็นอย่างนี้บ้างภิกษุไม่เป็นผู้มีตาลลกแรกเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าสู่ละแวกบ้านเดินทางไปตามถนนก็เดินอย่างสำรวมไม่มองช้างไม่มองม้าไม่มองรถไม่มองพลเดินเท้าไม่มองสตรีไม่มองบุรุษไม่มองเด็กชายไม่มองเด็กหญิงไม่มองร้านตลาด ไม่มองหน้ามุกเรือนไม่มองสูงไม่มองต่ำไม่มองทิศน้อยทิศใหญ่ภิกษุชื่อว่าไม่เป็นผู้มีตาลอกแลกเป็นอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งภิกษุเห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจากขุนศีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้บาป อ, อกุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัะครอบงาได้ย่อมรักษาจากขุนศี ถึงความสำรวมในจกักขุนสีพิษุชื่อว่าไม่เป็นผู้มีตาลอกแลกเป็นอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งภิกษุเป็นผู้งดเว้นจากความขวนขวายในการดูการละเล่นอันเป็นค่าสึกแก่กุศลเห็นปานนี้เหมือนอย่างสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกบริโภคอาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วก็ไม่พากันขวนขวายดูการละเล่นอันเป็นค่าสึกแก่กุศลเห็นปานนี้อยู่ คือการฟ้อนการขับร้องการประคมดนตรีการดูมหรสพการเล่านิทานภิกษุชื่อว่าไม่เป็นผู้มีตาลอกแลกเป็นอย่างนี้บ้างคำว่าภิกษุไม่พึงเป็นผู้มีตาลอกแลกอธิบายว่าพึงละบันเทาทําทให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความเป็นผู้มีตาลอกแลกคือพึงเป็นผู้งดงดเว้นเว้นขาดออก ตลาดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้มีตาลอกแรกมีใจเป็นอิจระจากกิเลสอยู่รวมความว่าภิกษุไม่พึงเป็นผู้มีตาลอกแรกคําว่าพึงป้องกันหูมิให้ได้ยินคา ม, มกถาอธิบายว่าได้รัชากาษาสามสองอย่างตรัสเรียกว่าคา ม, มกถาคือเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอมาตถ์เรื่องกองทัพ เรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องยานเรื่องที่นอนเรื่องระเบียบดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องเมืองเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเป็ดทะเล็เรื่องโลกเรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมคำว่าพึงป้องกันหูมิให้ได้ยินคำ ม, มกถาอธิบายว่าพึงป้องกันคือห้ามกั้นรักษาคุ้มครองปิดตัดขาดหูมิให้ได้ยิงคำ ม, มกถารวมความว่าพึงป้องกันหูมิให้ได้ยิงคำ ม, มกถาคำว่ารถในคำว่าไม่พึงติดใจในรถได้แก่รถจากราก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 ได้รถเปรี้ยวแล้วก็สแสวงหารถไม่เปรี้ยวได้รถไม่เปรี้ยวแล้วก็สแสวงหารถเปรี้ยวได้ของเย็นแล้วก็สแสวงหาของร้อนได้ของร้อนแล้วก็สแสวงหาของเย็นสมณะพราหมณ์เหล่านั้นได้รถใดๆแล้วก็ไม่ยินดีด้วยรถนั้นๆยังสแสวงหารถอื่นๆต่อไปอีกเป็นผู้กำหนัดยินดีติดใจสยบหมกมุ่นเกาะติดเกี่ยวพันพัวพันในรถที่ชอบใจ ปัญหาในรถนี้พิกษุ์ใดละได้แล้วตัดขาดได้แล้วเผาด้วยไฟคือยานแล้วพิกษุน์ัน้นพิจารณาแล้วโดยแยกคลายจึงฉันอาหารมิใช่เพื่อเล่นมิใช่เพื่อมัวเมามิใช่เพื่อตกแต่งมิใช่เพื่อประดับแต่ฉันเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่เพื่อให้ร่างกายนี้ดำเนินไปได้เพื่อขจัดความลำบากเพื่ออนุเคราะห์แก่พรหมจรรย์อย่างเดียวเท่านั้น โดยตั้งใจว่าและอยู่ได้ด้วยวิธีการอย่างนี้คนทาแผลเพียงเพื่อปลูกเนื้อเยื่อหยอดเปลา่าเพียงเพื่อจะขนพาระไปหรือกินอาหารที่ปรุงจากเนื้อบุตรเพียงเพื่อจะเดินทางออกจากทางกันดารให้พ้นเท่านั้นฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาโดยแยกคายแล้วฉันอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นความไม่มีโทษและอยู่สบายได้ด้วยวิธีการอย่างนี้ ย่อมละบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งตันหาในรถเป็นผู้งดแล้วเว้นแล้วเว้นขาดแล้วออกแล้วสลัดออกแล้วหลุดพ้นแล้วไม่เกี่ยวข้องแล้วกับตันหาในรถมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวมความว่าไม่พึงติดใจในรสคำว่าและไม่พึงยึดถืออะไรอะไรในโลกว่าเป็นของเราอธิบายว่า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 จะหลั่ทิ้งความยึดถือว่าเป็นของเราเริ่มหน้าทิท่ิได้แล้วไม่พึงยึดถือคือไม่ยึดไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นตาว่าเป็นของเราไม่ถือมั่นหูจมกกูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะพะระกูลหมูนะ่คณะอาวาดลาบยศสันเสริญสุขจีวรบินทบาทเสนาสนะกิฬานปัจจัยเพศัต์บริขาร กามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุกามาพรูปพบอรูปพสัญญาพบอสัญญาพเนวสัญญานาสัญญาพพเอกโวการพบจตุโวการพพปัญจะโวการพพอดีตอนาคตปัจจุบันว่าเป็นของเราไม่พึงยึดถือคือไม่ยึดไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยิน กลิ่นรสโผฏฐะที่รับรู้ธรรมารมที่พึงรู้แจ้งว่าเป็นของเราคำว่าอะไรอะไรได้แก่อะไรที่เป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณคำว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกอายตนะโลกรวมความว่าและไม่พึงยึดถืออะไรอะไรในโลกว่าเป็นของเราด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าภิกษุไม่พึงเป็นผู้มีตาลอกแลกพึงป้องกันหูมิให้ได้ยินคา ม, มกกถาไม่พึงติดใจในรสและไม่พึงยึดถืออะไรอะไรในโลกว่าเป็นของเรา